เคลื่อนตออในใัวทีทใใ่วันว น, นี้ก็เป็นเคสส่อนที่เั้นี้อยเ้าสิบเ957แพทท้องอยากกินพริกสด ลูกปเป็นนักเรียนอนุบาลฝันใ้ฝันพันเกาะติดสถานการณ์คนหนึ่งแต่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรฝ น, นจะตกแดดจะออกพระจะร้องคำรวนคำรามสกปานใดนลูกก็ยังตั้งใจฟังธรรมะศึกษาเรื่องราวกดแห่งการจย่างครูผู้ใหญ่ไม่เคยขาดเลยแต่ตอนนี้ มีสถานการณ์ไม่สู้จะดีนักเกิดขึ้นกับตัวลูกและครอบครัวเนื่องโดยมรสุมร้ายที่พัดกละหนําเข้ามาทําให้ชีวิตอืมครึมเกิดฝนฟ้าขนองในใจจะไม่ทราบว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครนึกได้แต่ไปหน้าของครูไม่ใหญ่คนเดียวอ า, <laughs> อ า, าร์กอนุญาตให้นึกได้เวลาเกิดฟ้าขนองหนึ่งยิงส่ง เรื่องลาเคสตัดดี้เป็นอย่างนี้ค่ะคุณปู่งลูกนี่เป็นชาวจีนผื้นรนดินใหญ่อพยพไปอยู่ที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ไปตั้งรกรากกมาหากินอยู่ที่นั่นเจถนาทางการเงินไม่ดีนักเห็นไหมใช่ป่ะความรวยนี่ยังมีความจำเป็นอยู่ในโลกมนุษย์ เราจะเป็นจะตั้งรวยนี่นี่เพราะความที่ยังไม่ยอมรวยตอนนั้นจึงถ้าไปอาศัยอยู่ในบ้านเช่าเก่าๆหลังหนึ่งอ่เรานึกดูเราจะอยู่ก็ลาหาดดีหรืออยู่บ้านเช่าเก่าๆดีก็เรหาดอ่นัก็เรืหาดใช่ไหและยึดอาชีพเป็นจับกลางบนเรือสินค้าอนี่หนไหมเกิดบรวยดีหรือว่าเริ่มต้นชีวิตจากตรงนี้ก่อน เกิดมารวยหรืว่าเห็นไหมจ๊ะเราจะมาเอาเอาความแข็งแกร่งของร่างกายก่อนแล้วก็ค่อยๆรวยเพิ่มขึ้นอืเอาไว้ไปเล่าความภาคให้ลูกหลานฟังถึงการต่อสู้ของปู่ลูกหลานฟังแบบเด็ดแบกกระสอบข้าศัตรูสินค้าเห็นไม่ไหลแข็งแรงก็จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้นี่ไม้คาน ปิดทองเอาไว้ให้ดูหรือว่าเราเกิดมารวยเลยรวยเลยจ้ะเนี่ยความรวยมีความจำเป็นในสังสารวัตนีีเดียวรันงั <Okay. S 1> ้นก็ต้องไปเสียเวลาไม่ใช่ต้องไปแบกไปหามถ้านถือจะแม่กวนอิมมากแต่อยู่ๆต่อมาวันหนึ่งจูๆ <c oughs> ถ้านก็ถูกเจ้าของา้า <c oughs> ไล่ออกจากบ้านเช่าหลังนั้นทั้งทั้นก็เสียเงินเห็นั้มเนี่ยถ้าเราไม่มีบ้านของตัวเองเราไปเช่าก็อยู่เนี่ยโอ้ปวดหัวตัวร้อนทำให้ท่านก็น้อยใจน้อยใจในโชคชะตาแล้วก็ตัดป้อต่อว่าเจ้าแม่กวนอิมถูกต้องว่าไม่ช่วยท่านบ้างเลยและแล้วท่านก็อ่านเชิญไป อยู่ในทะเลเนี่ท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนรอบข้างว่าระวังนะด้วยเจออาถรรพ์จะแม่กวนเองนี่แหละทุกคนยังเฝ้าจับตาดูดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกระทั่งกระทั่งวันหนึ่งวันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้มาถึงคือวันหนึ่งท่านบิงไล่ตีหนู ที่ขึ้นไปบนเลือสินค้าอ่เหมือนเดี๋ยวมันก็จะไปกัดสินค้าหมดเลยจ้ะตีมันจนหลังหักตายเลยและต่อมาทั้งกบประสบอุบัติเหตุถูกกระสอบข้าวสารูนเรือทับจนเสียชีวิตอเออทุกคนยังมีความเชื่อว่าต้องเกิดจากอาถรรพ์เจ้าแม่ควรจะแม่คนเองแน่ๆเลยอย่างนี้นี่เลยจ้ะคุณมั่งลูกเกิดที่รัฐปีนังเช่นเดียวกัน ตั้งแต่เล็กจนโตกันพ่อประสบพบเจอแต่ความยากลำบากเอาไหมเราเกิดมาเจออย่างนี้เอาไหมจ๊ะไม่เอาเพราะฐานะทงบ้านไม่ค่อยดีเอาไหมจ๊ะไม่เอาต้องไปอาศัยอยู่ตามศาลเจ้าต่างๆเอาไหมจ๊ะไม่เอาเนี่ยเพื่อที่จะได้เรียนหนังสือและศึกษาธรรมะพร้อมทั้งช่วยงานที่นั่นเพื่อแลกกับอาหารประทางท้องไปวันๆอยู่มาวันหนึ่งผู้ดูแลศาลเจ้าที่พ่อไปพักอาศัยด้วยได้บอกให้คุณพ่อไปช่วยงานที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต พ่อไปไหมไ ป, ไปพ่อก็เดินทางข้ามน้ำข้าในไปและที่นี่เองคือสถานที่อ<ว>เอ๊ะรู้ได้งไงเนี่ยพ <c oughs> ี่ชายเป็นพ่อไปซื้อปลาท่องโก <c oughs> ม <c oughs> ว่าที่นี่อร่อยมากตัวยาวเป็นศอกนี้ <c oughs> ซื้อไปซื้อมาพอเงยหนะ้าขึ้นมาก็เจอ คุณแม่ของลกูกเพราะคุณแม่ไปทำพุทธิสารเจ้าอย่างนี้เป็นประจำแล้วท่านคุยกันไม่ขีคำก็ตกลงแต่งงานกันต่างก็ช่วยกันนำมาหากินหลังจากนั้นคุณพ่อก็ปักหลักใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองไทยเลยไม่กลับไปมาเลเซียเลยแต่ตามกฎหมายแล้วท่านตกอยู่ในฐานะคนต่างด้าวตรงนี้เลย ที่มีสิทธิ์อาศัศยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชื่วคราวเ mm hmm. ท่านั้นจะต่างดาวต่างด้าวก็อยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้น mm hmm. ตอนไปต่อวิชาที่ปีนังเป็นประจําทุกสามเดือน mm hmm. ถ้ากระทาอย่างเงี้ย mm hmm. ทุกสามเดือนเลจ้ะ mm hmm. กว่ายี่สิบปีที่ใช้ชีวิตในสยามประเทศแม้คุณว่าจะไม่ใช่คนไทยแต่ท่านรักผืนเป็นอินไทยสุดหัวใจ mm hmm. ท่านเคยบอกว่าวันข้างหน้า ถ้าพอจะตายก็ขอตายที่เมืองไทยแห่งนี้แต่ว่าถึงจะรักแค่ไหนก็ตายคุณพ่อก็ต้องอยู่อย่างคนไม่มีสิทธิ์จะประกอบอาชีพใดๆก็ต้องทําแบบหลบๆซ่อนๆอนอนตลอดมาแราวคุณพ่อไม่มีบใบอนุญาตประกอบอาชีพในเมืองไทยและแล้ววันที่ฝันร้ายเป็นจริงก็มาถึงคุณพ่อถูกตำรวจจับและขณะที่ช่วยเพื่อนขายของในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต ตำรวจตั้งขอหาประกอบอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวสำหรับทางสำนักงานตรวจคนข้าเมืองก็ได้เพิกถอนการอนุญาตให้คุณพ่ออยู่ในประเทศไทยทันทีและก็ส่งปกาขังที่ดานตรวจคนเข้าเมืองนานถึง12วันจากนั้นจะถูกส่งตัวออกนอกประเทศแล้วส่งกลับไปยังภูมิลานาวเดิมคือประเทศมาเลเซียทำไอยู่ที่นั่นนานสองเดือน ตอนยงกลับมาที่ประเทศไทยครั้งแล้วก็พราะตนเองถูกขึ้นบัญชีที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองว่าห้ามเข้าประเทศไทย oh. ตั้งแต่ปีพศ2548ปีที่แล้วถึง 2,648 ห้ามเข้ารถทั้งหมด100ปี oh. ไม่ไหว โอ้ชาชีวิตเลยขณะนี้ที่สรงเครตนี่คุณพ่อันยังต้องออกจากประเทศไทยไปแล้วยังไม่รู้ชะตากรรมจะมีโอกาสหวนคืนมาอีกเมื่อไรปัจจุบันอา ย, อยุห้าสิบเจ็ดปีแล้วค่ะลูกและทุกคนคิดถึงพ่อมากนะครับและลูกทุกคนขอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีของพ่อส่วนาุแม่ลูกตั้งแต่เกิดเรื่องไรา้าักกับคุณพ่อ คุณแม่กระทุกใจมากแต่ท่านกับพญา น, นํำใจใสๆและกระทำบุญทุกบุญของครูแม่ใหญ่มาตลอดเพราะท่านเป็นคนรักบุญมากครั้งหนึ่งเมื่อเดือนเมษา ย, ยน2548นขณะที่คุณแม่และญาติๆานั่งรถยนต์ไปทำธุระราวหกโมงเย็นคุณแม่ น, น, ม น, แ น, นั่งสวดมนต์และก็นึกบุญชาเจดีย์อยู่ในใจก็เกิดเหตุการณ์ไปขาดคิดเพระนาะตอนนั้นฝนตกถนนลื่นมาก รถยนต์ที่นั่งมากระด็นถลยออกนอกถนนแล้วก็พลิกคว่ำหลายตลบตกลงไปในเหวข้างทางพิธีนั้นคุณแม่นึกถึงประเดียวคุณหลวงปู่วัดปักนาวปะศิจริเนเขานาขอให้ท่านช่วยแล้วรถกร็ไกลิ้งมาหยุดอยู่บริเวณเนินดินใหญ่ในสภาพรถตะแคงเหมือนคนนอนตะแคงข้างนั้นไม่นานก็มีรถอีกคันผ่านมาตรงจุดเกิดเหตุและก็ช่วยทุกคนบนรถออกมาได้อย่างปลอดภยัดยจะไม่มีใครเสียชีวิต ึเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากๆค่ะคุณแม่และญาติไปด้วยกันก็ได้แขวนพระปราบปราบมาติดตัวไปด้วยคือยิ่งทําให้ท่านเชื่อมันในบุญและเชื่อมั่นแ น, น่แน่ว่าเม่อเด็กคุณหลวงปู่วัดปากน้ําราสิทเจริญ อ, อย่างสุดหัวใจท่านครูมิมหยาดที่เคารพค่ะและปัจจุบันคุณแม่จะอยู่ในบุญแต่แนดีท่านก็อยู่กับความลําบากอย่างแสนสาหัสค่ะงแต่เล็กจนโตไม่เคยรู้จักคําสบายเลย โอ้เอาไม้อย่างนี้เอาไม้ไมชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแก่เล็กจ น, <laughs> จนโตไม่รู้จักคํามาสบายเลยเนี่ยเพราะท<อ>่านต้องช่วบกุญายทำสวนผักทำเส้นขนมจริงขายจะเรียนแค่ป .4 แล้วก็ตั้งลาออกแล้วก็พาชั้นไปอยู่ในมหาลัยเมืองแกคือ <laughs> ต้องไปรับจ้างกร่อนแร่อยู่ที่เมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต เือหาเงินมาส่งดีให้พี่น้องคนอื่นๆได้เล่าเรียนส่วนตัวเองก็ต้องกลมหน้ากลมต า, อารอนแล้ถตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันห้าโมงเย็นปวดหลังแทบขาดใจเอาไหมไม่เอาชีวิตจริงนี้เอาไหมจ๊ะไม่เอาแม้จะลำบากท่านก็ไม่เคยปริปากบนท่านจะหาเงินมาได้ด้วยความยากลำบากแล้ว เมื่อมาแต่งงานกับคุณพ่อท่านยังมีลูกยากอีกด้วยค่ะนี่ท่านเคยแท้งลูกไปถึงสองครั้ง<อ>กระทั่งตั้งท้องครั้งที่สามท่านก็บอกว่าแพแพแพท้องอยากกินเดือลิกพลิกสดต้องกินได้เดวลาห้าถึงสิบเม็ดเวทหนูหรือพลิกอะไรเนี่ยไม่ได้บอกกินใบกินมา คุณแม่ก็ต้องอุ้มท้องอยู่ดานถึงสิบเดือนสิบวันเ<อ>พราะดิบพอดีไม่มีขาดสิบเดือนกับสิบวันวันหนึ่งกินสิบเม็ดเดือนหนึ่งก็กินนั่สามร3อยเม็ดสิบเดือนแหละสามพันเม็ดและอีกสิบวันละสามพัน สามร้อยเมตรกี่กิโลเนะี่ยหรือว่าเขากินเฉพาะตอนช่วงแพ้ท้องแล้วเขาจะแพ้กี่เดือนเนี่ยในครูม่ทย์ไม่ เ, เคยแพ้นะเพราะมันไม่ไมรู้ก็สันนิษฐานว่าเราแพ้สิบเดือนกับสิบวันไม่แพ้ใช่ไหมจ๊ะชนะรวดเลยนะแพ้กี่เดือน อสองเดือนอเดือนหนึ่งสามร้อยเมตรสองเดือนก็ห0ร้อยเมตรประมาณกิโลไดไหมจ๊ะกว่ากิโลนะมันขึ้นอยู่พลิกอะไรถ้าพลิกโยกก็นี้ก็ไม่ได้บอกพลิกอะไรบอกพลิกสอดยยกดสอดก็มีเหมือนะ พอครบกำหนดไม่มีขาดเลยจริงครัดเด็กหญิงหน้าตาดีดีข้นหนึ่งออกมาโมโนหน่าดูเลยเพระเด็กคนนั้นคือตัวลูกเองค่ะ<อ>เรื่องโมนี่เราจะถนัดนะักเนสงสัยเนี่ยกินพลิกตั้งแต่อยู่ในคันลูกนั้นอาเมื่อกี้มีน้ำพลิกนะดังนะแนะ่อยู่เยอรมันนะ่ะ นี่นี่มาพลิกอีกแล้ว เ, ลเออวันนี้สองพลิกนะนซึ่งลูกนั้นทราบซึ่งในพระคุณของแม่มากๆลูกจึงตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อตับแทนและขอเทอดทูลพระคุณแม่ที่ลูกรักมากที่สุดเลยค่ะเพราะฉนะนั้นต้องสั่งสมบุญไว้ในตัวเยอะๆแม่ก็จะได้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยนะจ๊ะ ตัวลูกเองเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวออและในปีสองพห้ารสี่สิบเอ็ดลูกได้ไอบรมมัธมธรรมบัาติหญิงในพระธรรมกายแต่ลูกทราบสิ่งในป้าหมายและมโนปณิษธานการสร้างบารมีของหมู่นะและนับแต่นั้นมาลูกจึงเข้ามาเป็นอาสาสมัครของกองพิธีกรรมในทุกเย็นวันศุกร์จนเดือนลูกจะนั่งรถประจำทางจากภูเก็ต ประวัติปรตมกายนี่กว่าจะมาถึงก็ช่วงสายวันเสาร์โอ้มีวิทยาอุสตร์หาทังเลยแล้วก็รับบุญต่างๆของกองวิธีกรรมมาเสร็จงานบุญในวันอาทิตย์ต้นเดือนลูกจึงค่อยเดินทางกลับไปโดยรถบัสแล้วก็ไปถึงบุกเก็ตเช้าวันบัญจันก็จะไปลรงเรียนต่อโอ้นี่เป็นสุดยอดนักสร้างบารมีเลยสาธุอโอ้ นี่ ม, มากลายกว่าครูไม่ใหญ่ไปวัดฝากน้ำบ่อสีเจริญนะจากมหาลัยเกษตรศาสตร์ีไปอลับตาลืมตาสองทีถึงตัวนี้ลับตาลืมตาหลายทีลูกสร้างบุญเช่นนี้มาจนจบม .6 โอ้พราะเข้าเรียนระดมมหาลาัยจิตธรรมศาสตร์ในปี2543ลูกก็เดินธามาอาบุญทั่วัดเป็นประจำไม่เคยขาดเลย การตัง้งรูปจบกนานศึกษาปี2547ภาพปริยาตรีเกียรนิยมอันดับ 2. 2> สอ<า>งเอกภาษาจีนอันนี้น่าตำหนิเพราะมันน่าจะได้อันดับหนึ่งี่ยัยังมีหน้ามาพูดด้วยความภาคภูมิใจอันดับหนึ่งเขาไม่เอาไว้ทำไมนี่ไปเอาอันดับสองมาทำไมนี่เป็นความผิดอย่างมหันต์ีเดียว แล้วลูกก็ตัดินใจทิศตอนก็นมาเป็นมนติแก้วปยาก็มาเป็นนักสร้างบรมีเขตหนไปกับหลวงพ่อผู้เป็นนักหลักใจและหลักใจของลูกค่มปัจจุบันลูกเป็ยังรับบุญอยู่กองพิธีกรรมค่ะคณตางลูกเป็นคนใจใหญ่ใจนักเลงชอบขบาล่าสัตว์ แต่ต่ามามีแผลที่ฝ่าเท้าซ้ายเป็นรูลึกราวสองเซนติเมตรทั้งทำแผลทุกวันจนถึงทุกวันนี้เกินกว่าสิบปีแล้วแผลก็ยังไม่หายค่ะตอนนี้คนตา ย, ยุดเจ็ดสิบ็ดปีค่ะก็ถึงเวลาต้งอาจารย์ไปไว้ฐานที่เจ็ดแล้วแหละจะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสำเร็จทุกอย่างแผละจะได้หายไงเลยจ๊ะ สุกัญญาลูกแม่อายุจะล่วงเข้าเจ็ดสิบสามปีแล้วแต่ยังต้องทางานหนักช่วยลูกคนหนึ่งรับจ้างตัดหญ้าจัดสวนเอาไหมล้วเกิดมามีชีวิตอย่างนี้เอาไหมไม่เอาแล้วกลางปีสองห้าสี่แปดท่านมีปัญหาที่หูข้างขวารู้สึกเหมือนมีน้ำตกไหลสู้สู้อยู่ในหูตลอดเวล า, าฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินล มันต้องมีที่มาใ่ไหมจ๊ะเรื่องนี้มีเหตุลูกสาวและของน้าสาวคนที่หกเป็นเด็กฉลาดช่างพูดช่างคุยป่วยเป็นโรคอิสุอิสัยคุณสุขคนไสมันเดือนมีนาคมสองห้าสี่เจ็ดแต่พอไปหาหมอจึงพบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คณสุขคนไสเลยเป็นโรคมะเร็งออ <laughs> ที่ตามน้ำเหลืองอริยะที่สามแล้ว และอีเดินทําก็เสียชีวิตขณะที่มีอายุเพียงห้าขวบเท่านั้น oh. แต่การเขาจะเสียชีวิตก็เป็นช่วงบุญกระถินปีสองหสี่เจ็ดลูกจะไปช่วยให้เขาทําบุญกระถินและเขาก็ได้ทําบุญใหญ่นี้ก่อนละโลกด้วยค่ะห้า oh. ขวบจะทําบุญกระถินก่อนละโลกคําถามบุพกรรมใดที่กบฏต้องมาถูกกระสอบข้อสารทับสียชีวิตเกี่ยวข้องกับอาถรรพ์เจ้าแม่กวนอิหรือไม่ เรเป็นพฤากรรมที่ไปตีนหนูจนหลังหักคะและหนูตอนนั้นได้ผูกกับขาท่านหรือไม่ท่านตายแล้วไปอยู่ที่ไหนที่รบบทเที่ยวที่ไปให้หรือไม่คะเพราะเหตุใดคุณพ่อจึงมีชีวิตที่ลำบากตกอยู่ในสภาพเป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิอยู่ในเมืองไทยสงสารยังเลยเนี่ยและถูกสั่งห้ามเข้าประเทศไทยเป็นเวลาถึงหนึ่งรอปีไอ้คนที่ ออกคำสั่งเนี่ยเปชาติสัรหายจริงหาเวนเน่ตอนนี้เูกำลั ง, งทำเอกสารยื่นคำร้องขอให้ท่านเด็กกลับเข้ามาอยู่ในเมืองไทยครั้งท่านจะมีโอกาสกลับมาได้อีกหรือไม่ปัจจุบันตรงตาง ข, ข้างขวางท่านมองไม่เห็นและยังหายใจติดขัดถึงนพระบุพกรรมใดและควรจะแก้ไขอย่างไรก็อืบบุพกรรมใดท่านคุณแม่ลาบากตั้งแต่เล็กจนโต ต่อตรประสบบัติเหตุรถยนต์ตกเหวจึงรอดมาได้อัศจรรย์ตั้งแท้งลูกถึงสอ ง, งครั้งแล้วทำไมเมื่อตั้งครรภ์ครั้งที่สามก็ต้องอุมท้องอยู่นานถึงสิบเดือนสิบวันเ<ม>หตุใดตอนแพ้ท้องจึงอยากกินแบบพลิกสด <c oughs> เป็นนิมิตหมายอะไรเกีย่ยวกับตัวลูกรอเปล่าคะ <c oughs> ปัจจุบันคุณแม่มีอาการไอเป็นมาสองสามปีแล้วคะวรักษาอไรก็ไม่หายจะต้องแก้ไขอย่างไรคะ และการข อ, ขอความเมตตาขงครูวิจัยช่วยชี้แนะการดําเนินชีวิตต่อจากนี้ไปด้วยค่ะคุณแม่เริ่มทุกข์ใจหลายเรื่องก็จะไปทุกข์ใจเหมือนเลยทุกไปแล้วก็ได้ทุกข์ใจนะเนี่ยเจะรู้ตังอยู่ในท้องแม่นานถึสิบเดือนสิบวันเป็นเพราะบุคกรรมใดแล้วเป็นกรรมในลักษณะเดียวกับพระสิวลีหรือไม่ที่ท่านตัอยู่ในครันของมะนาง สุภาพษาถึงเจ็ดปี7เดือน7วันอ๋อก็ะโลกแข็เพิ่ง10เดือน10วันมันต้อง10ปี10เดือน10วันนั่นแหละมันถึงถึงจะเข้าไายนี่มันแค่10เดือน10วันมันปกติมากปกติใช่ไหมเจ้ะอ๋อปกตินี่ถ้ามีข้างหน้าอีกนั่นอะสัก10ปีอย่างเงี้ยสิเดือน10วันเออ คุณตาทำบุพกรรมใดมาจะมีแผลที่ฝ่าเท้าซ้ายรักษามันนานเกินกว่าสิปีแล้วแผลก็ยังไม่มีทีท่าจะหายทั้งที่ที่เป็นแผลเล็กๆขนาดแค่สองเซนเท่านั้นคุณยายทำบุพกรรมใดมาจะมีปัญหาที่หูต่ยินเสียงเหมือนน้ำตกหลสู้ๆเดี๋ยวเราศึกษาดีให้ดีๆนะอันเนี้ยตลอดเวลาเลยลยังต้องล บ, บากที่ลูกหลานทาหากินมาจนกระทั่งถึงยามชา บุปการในตามืลูกสาคนที่ท้องน้าสาคนที่6ต้องเป็นมะเร็งตํำน้ำเหลืองเสียชีวิตตั้งแต่อายุห้ขวบบุญกิติที่เขาได้ทำก่อนตายส่งผลกับเขาอย่างไรคะเขาตายแล้วเป็นไหนมีข้อความอะไรฝ่ามาถึงครอบครัวบ้างคะตัวลูกเองมีอาการภูมิแพ้คัดจมูกน้ำมูกไหลคันลูกในตาบ่อยๆ mm hmm. เกิดจากเหตุกรรมมันใดจะแก้ไขอย่างไรจึงจะหายขาดคะ แล้วตัวลูกเคยสร้างบา ร, รมีกับหมู่คณะมันอย่างไรมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นเช่นไรคะตัวลูกแล้วน้องๆในกองพิธีกรรมเคยสร้างบุญมาอย่างไรกับพระอาจารย์ผมเป็นหัวหน้ากองพิธีกรรมคะ่ะกองพิธีกรรมแสดงว่ามีกรรม <c oughs> เป็นพิธีกันทั้งทีเหตุใดชานี <c oughs> hey, ้จึงได้มาร่วมงานกับท่านทั้งที่แต่ละคนก็นมาจากต่างที่ต่างถิ่นแต่ก็บารมกันเหมือนชื้อที่ฟันเันเส้นเดียวกัน การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิธีกรรมบางครั้งเกิดการกระทบกระทั่งกับเจ้าภาพเช่นเวลาปิดโตเป็นรูปตัวทีเอเจ้าหน้าที่พิธีกรรมไปชี้แจงให้เหตุผลจะภาพบางคนกลับงุดงิดและก็ถือถุงทองกลับไปเลยก็ทำให้ลูกๆเกิดความไม่สบายใจ กลัวจะเป็นวิบากกันจึงกราบขอคำแนะนำของครูผู้ใหญ่เมตตาชี้แนะในการทําหน้าที่ตรงจุดนี้แ ก, ก่ลูกกองพิธีกรรมด้วยเจ้าค่ะก็ต้องทําความเข้าใจด้วยกันทั้งทั้งสองฝ่ายคือกองพิธีกรรมกับลูกพระธรรมทุกคนน่ะทีเป็นทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพระหว่างเขตนอกกับเขตในก็ทั้งรากคล้เป็นหนึ่งเดียวกันเปนเชือกที่ฟัน จำเรื่องราวและคำถามได้ัหมจ๊ะจ่าได้ค่ไลตาฝังเนตัเตาตืนขึ้นมาเาหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเปนทิยายปารำปรากันจ้าเดี๋ยวเราศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมกันเลยคุณปู่ถูกกระสอบเข้าสารทับเสียชีวิตเพละกำเน่ดีที่เคยเป็นลูกจ้างในโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่ง ได้ชูหัวหน้าปูตระลโกดังดุดาว่ากล่าวจึงเกิดความแค้นได้แอบลักกองเหีบสินค้าล้มทับใส่หัวหน้านั้นจนตายตอนที่หัวหน้ามาเดินตรวจงา น, นเป็นกรรมหลักส่วนกรรมตีหนูตายเป็นกรรมเสริมมารวมส่งผลจ้ะ กรรมทั้งอดีตและกรรมทั้งปัจจุบันเ น, นี่ยกรรมอดีตเปน็นหลักกรรมปัจจุบันเป็นส่วนเสริมแต่แล้วก็เป็นกายสัมภเวสีรอนแลยโยระยะหนึ่งตา ม, มาได้รับบุญทิพย์ไปให้ในช่วงหลังๆกระต่ายสภาพที่ท่านดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ดีมากจ้ะให้ทำบุญทิติไปให้ท่านอีกจ้าไม่ใช่ว่าถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรกกรม ถ้าการู้วิธีการบำเพ็ญบุญเนี่ยเราสามารถช่วยบรรพบุรุษบุปการีที่มูญาติละโลกไปแล้วได้คุณพ่อมีชีวิตลำบากตกอยู่ใสภาพต่างดาวไม่มีสิทธิ์อยู่ในเมืองไทยและห้ามเข้าประเทศหนึ่งร้อยปีพระในชาติหนึ่งคุณพ่อเนี่ยไม่ธรรมดานะจ๊ะเคยเป็นข้าราชการผู้ใหญ่มียศ มีฐานะมีเงินทองเป็นคนเคยรวยแต่มีความตรณีและก็มีมานะทิฐิถือตัวจัดกามียศใหญ่มีเงินทองและก็เคยกแกล้งใส่ความข้าราชการคนหนึ่งจนถุกพระราชาในแคว้นนั้นเนรเทศออกไปนอกเมืองและก็ไม่ได้กลับเข้ามาเสร็จการที่เบาบางแล้วมาส่งบนจะ้ะ เบาบางแล้วนะให้ร้อยปีคือให้โอกาสกลับได้ oh. คือจะกลับโดยทางวิญญาณเล่นรกัแล้วแต่แล้วคำว่า oh. ให้โอกาสวิญญาณกลับมาในเมืองไทยได้เ oh. พราะในชาตินั้นถือตัวจัดตรรนีแล้วก็ไปเกิดในครอบครัวที่ทําให้ชีวิตลําเค็ญ oh. เห็นไหมจช่ oh. แต่ว่าที่ไม่มีสิทธิอยู่เมืองไทยแนละ้วทําพเจ้าประเทศนเห็นไหมเอาใช้ตําแหน่งหนะ้าที่ mm hmm. ไปแกล้งใส่ความข้าราชการคนหนึ่ง จนทุพระราชาในแคว้นนั้นในรเทศออกไปนอกเมืองพระราชาในยุคนั้น แ, และเขาไม่ได้กลับมาอีกเลยแล้ว<อ>ก็เกินกว่าร้อยปีวิญญาณก็ห้ามกลับแต่นี่เศษกรรมบาวังแล้วจึงอนุญาตให้วิญญาณกลับได้นี่ไม่มันน่าตีอย่างคนออกกฎเกณฑ์จริงจริงกฎเกณฑ์เนเป็นเรื่องสมมุติเอาทั้ง น, นั้นนะเมื่อเราสมมติว่าร้อยปีไม่ให้เข้า แล้วก็สมมติใหม่สิไม่ให้เกาสักปอีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมามันของสมมติมันเปลี่ยนได้เรื่องที่มันเรื่องเล็กๆเนี่ยมันกดเกณเล็กๆกดกณฑ์ใหญ่ๆก็ลังจะเปลี่ยนกันอยู่เลยนี่แหละก็ยังทํำกันได้มันทําได้นี่ให้ท่านอยู่ในบุญนะโทรไปบอกท่าน น, นะลุงนะให้นึกถึงบุญทั้งบุญที่ท่านทำเอาไว้แล้วให้ท่านอธิษฐานจิตกลับมาอยู่ให้ได้เหมือนเดิมจ้ะอย่างสง่า ง, งาม ตัวลูกก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจอะไรมากนึกถึงบุญที่ลูกทำนั่งธรรมะอธิษฐานจิตอา บ, บุญนิดก้อยช่วยคุณพ่อกลับมาสร้างบารมีในเมืองไทยได้อีกปัจจุบันดวงตาข้างขวามองไม่เห็นยังหายใจติดขัดเพระาะกันแนดีาติชาตาหนึ่งที่อาชาที่เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ดังกล่าวนั่นแหละที่มียศมีตำแหน่งร่ารวยมั่งคัง่งได้เกิดงดงิดฆ่าท่าบริวาร มรดาโทสะทุบตีทำร้ายจนจอประสาทต่ตางบริวารกนหนึ่งตาบอดไปหนึ่งข้างมาส่งผลให้ดวงตาข้างขวามีปัญหามองไม่เห็นแล้วที่หายใจติดขัดเพราะได้ไปทําร้ายคือไปเยียบคอบริวารที่ล้มลงแล้วจนเขาหายใจไม่สะดวกเนี่ยมาส่งผลให้หายใจติดขัดเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นเหตุเป็นผลกัน เพราะนั้นให้ท่านสั่งสมบุญทุบุญทั้งทานทงศีลทัภาวนาบอกจะไปกลุ่มจอย่าไปเสียเวลากลุ่มพอ ก, กลุ่มไปสิบนาทีแล้วก็เสียเวลาไปสิบนาทีกลุ่มไปหนึ่งเดือนก็เสียเวลาหนึ่งเดือนลาเวลาที่จะไปเสียเวลาเพราะความกลุ่มแล้วก็ทาํทราทรา้อยทําลายตัวเราเองสุขภาพร่างกายก็ไปแข็งแรงมานึกถึงบุญนี่ว่าแล้วก็สั่งสมบุญเท่าที่เราจะทําได้ทั้งทางทาั้งศีลทั้งภาวนา แล้วก็ทิฏฐานจิตนี้ให้ไปตัดอรานวิบากรรมนี่ดักเป็นเบาๆาเป็นหายจ้ะคุณแม่ลําบากตั้งแต่เล็กจนโตเพราะแม่ก็มีความตรณีและก็ทําทานบา ร, รมีมันน้อย mm hmm. เช่นเดียวกันนามาส่งผลจ้ะประสมบัติเหตุรถยนต์ตกเหตุแต่รอดตายเพระาะกรรมฆ่าสัตว์รมหารทั้งในอดีตและปัจจุบันามาส่งผลแต่รอดดัราะ บ, บุญนิทานในปัจจุบันกับหมู่ชณะจ้ะ แทงลูกสองครั้งเพราะในอดีตชอบจับปลาไข่แล้วก็เอาไข่ปลามาตากแห้งบ้างเอามาทำอาหารบ้างน่ะมาส่งผลจ้ะตั้งกันตั้งคันครั้งที่สามนานสิบเดือนสิบวันเพราะก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมมากอะไรหรือจนกระทั่งถึงขั้นเลว่าผิดปกติถือว่าปกตินานหน่อยอใช่ไหมจ้ะ ถูกปกตินานหน่อยแค่นั้นเองแค่จับเอามาขังดูเล่นเนี่จับกบจับเคี๊ยจับเตาจับอะไรมาใส่ดูเล่น <Okay. S 1> แพ้ท้องอยากกินพริกสดพระตัวลูกสาวเนี่ยที่อยู่ในคันมีเศษกนในดิดดังกล่าวนะที่ชอบขังพวกนกแก้วนกต่างๆที่อยากจะให้มันพูด จึงให้มันกินพริกสดเยอะๆนกจะได้พูดเก่งๆนะอาใครเคยทำบ้างให้นกกินพริกแต่ถ้มันร้อนมันอคุณแม่เจ้าขาก็แม่เจ้าขาเนี่ยกินพริกมาบีบแค่ที่แม่อยากกินพริกสดตอนแพท้องจะ้ะเออ แม่ไอามาสองสามปีแล้วยังรักษายังไม่หายเพราะกคำแนะนำดีไม่ค่อยดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีปล่อยมันตากแดดตากฝนจนมันไม่สบายนะํำมาส่งผลจ้ะให้บอกกับแม่ว่าเวลาของชีวิตเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วให้ใช้ทุกวินาทีสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มากๆจะได้เป็นที่พึ่งกับตัวเองในบนปลายของชีวิตจ้ะแล้วก็หัดปล่อยวางซะ บ, บ้างใจจะได้เ่าสบายจ้ะ คุณตาเป็นแผลที่ฝ่าเท้าซ้ายรักษานานกว่าสิบ ป, ปีแล้วก็ยังไม่หายถึงได้เป็นแผลเล็กแค่สองเซนติเมตรเท่านั้นแล้วกับนาดีที่เคยวางกับดักสัตว์จนขาสัตว์ติดกับบาดเจ็บท ร, รมานกับกรรมที่เคยโปรโยของมีคมให้คนมาเหยียบเพื่อความสนุกสนานออมารรกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารมาส่งผลจ้ออคุณยาย ได้ยินเสียงที่หูเหมือนน้ำตกสู้สู้สตลอดเวลาพระก้ามแนดีท่านเคยดูแลยาของตนเองดูแลคุณยาของตนเองที่อายุมากแล้วพอท่านทําอะไรให้ไม่พอใจพระชายู่มากแล้วเนี่ยก็แกล้งทำเสียงตึงตังไปชดท่านตึงตังอาใครเคยทำมั่งก็เวลาพูดแล้วก็ เวลาท่านพูดแล้วก็แกล่งทาหูทลนลมมารวมส่งผลเีิยทำนั่นเสียงตึงตังแล้วก็ทําหูถลนลมเถิด ย, oh. ยังช่วยลูกหลานธรมากินกับท่านญาตฉลาดพระท่านทําทานในดีมันน้อยด้ยวยคาวามมีนิสัยตะนนีมาส่งผลจ้าลูกสาวคนจะต้องนะสาเป็นมะเร็งถั่วน้ำเหลืองสี่ชีวิตมายุห้าขวบพระในดีที่เคยเกิดในสังคมงเกษตรกรรมและชอบจับเอาสัตว์เป็นเป็นมาดองขายเป็นอาชีพมาส่งผลเจ้า ตายแล้วไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้ว <c oughs> ในครอบครัวที่มีฐานะดีได้บุญที่ทำกระถินก่อนตาย <c oughs> ตอนนี้ไม่อาจจะรับบุญได้แล้วและก็ไม่มีข้อความอะไรฝากมาจากเพราะเป็นมนุษย์โลกมีอาการภูมิแพ้ขจมููน้ำมูกไหลคันลูกในตาบ่อยๆเพราะกำเนิดดีเวลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกับเป็นไปตามอารมณ์ อารมณ์ดีก็ดูแลดีเพราะเบื่อก็มากับปล่อยมันแตกแดดแตกฝนค่อยๆป่วยตายไปทีละตัวสอตัวมาส่งผลให้เป็นภูมิแพ้เพราะหายเหอก็ปล่อยมันอย่างเงี้ยให้เป็นภูมิแพ้คัดจมูกน้ำมูกไหลใช่กับเวลามีผู้ใหญ่ตักเตือนก็นมักจะมองจ้องหน้าจ้องหน้าตาผู้ใหญ่ด้วยความขัดเคืองใจมาส่งผลให้คันลูกในตา พรผู้ใหญ่เขาคันใจใช้ลูกในตามองให้ผู้ใหญ่คันใจเราก็เลยไม่ต้องขันลูกในตา oh. นี่นี่เพราะฉะนั้นเนี่นะเวลาผู้ใหญ่ว่าจะไปจ้องตากันนะจ๊ะทะลึงตาอย่างนั้นไม่เอาแล้วก็อะไรก็สำคัญในการที่ท่านในอบรมสังสอนตั้งใจฟังอย่างดีอย่าไปทะลึงตาเดี๋ยวตาไม่สวยนะ จะแก้ไขให้สังสมุทุภูมิทั้ทงชาติศีลภาวานาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อ ย, อ ย, อยนกให้บ่อยๆแล้วที่พุทธศาสนาให้กษัตริย์เหล่านั้ น, น, นกับอีกทั้งต้องมองดูใครก็ต้องมองด้วยจิตที่ประกอบไปูด้วยเมตตาใาลูกเคยสร้างบรมมีกมุคณะมะ า, มาโดยพุทธนรสที่ผ่านมาตัวลูกได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชในกองราชพิธีอยาวบวชนับราชาแต่ออกบวชช้าไปหน่อย ก็ระมัวแต่ใช้เวลาที่ช่วงช้านั้นไปเจ้าชู้ไปเลยๆด้วยความรอและก็คารลมดีมีเมตตาจิตมองด้วยเมตตาจิตเสมอเลยเป็นเหตุให้มาเป็นผู้หญิงแต่ว่าในที่สุดก็ออกบวชก็ทันทีเผยแผ่จนตลอดชีวิต มีผลการปฏบัติธรมได้กระทึงดวงใสๆปลอดตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้เรามาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบใช่ไหมนี่มารอบนี้รอบที่สามมาด้วยอาการคันลูกนิทรา <laughs> ตลูกและน้งนงนองๆในกองพิธกรรมได้มาร่วมงานกับอาจารย์บุเป็นหัวหน้าของพิธีกรรมบางคนก็เคยเป็นทหารกองเดียวกับท่านแต่บางคนท่านก็เป็นกละมิดให้ตอนท่านบวชแล้ว กันเป็นพระอาจารย์แนะนําสั่งสอนชาตินี้บุญที่เคยทําร่วมกันจึงทําให้มารวมกันอีกจ้าการทำหนา้าที่พิธีกรรมบางครั้งกระทากระทั่งกระเจาภาพนี่เช่นเวลาปิดโต๊ะเป็นรูปตัวทีพระเจ้าหนา้าที่พิธีกรรมไปแสดงเหตุผลก็ทําให้จับภาพบางคนเกิดความงุดงิดถือถุงทองซองปัจจัยกลับไปเลยทําให้ตัวลูกเกิดความไม่สบายใจกลัวว่าจะมีวิบากกรรมนั้น ก็อย่าไปกังวลใจไปเลยลูกตัวลูกทุกคนนะก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีไม่มีวิบากกรรมอะไรหรอกจ้ะมีแต่จะได้บุญบา ร, รมีเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องให้มีศิลปะในการแนะนำต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนึกถึงบุญใสๆสเอาไว้อย่าไปกังวลใจจ้าจนตัวเจ้าภาพ ก็เป็นเพียงบางคนซึ่งอาจจะเป็นคนใหม่ยังไม่คุ้นเคยกับธรรมเนียมปฏิบัติของหมูนะ่คณะก็คงต้องให้โอกาสและเวลาที่จะเรียนรู้ธรรมเนียมนี้เพราะสิทธล์ทุกคนในช่วงนั้นต่างเขารู้ว่าครูไม่ใหญ่นะมีเวลาจากัดจะต้องมีภา ร, รกิจอีกมากมายซึ่งแบ่งภาพไปได้และขาเขาเจ็บด้วยนั่งนานๆเนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะจ๊ะ แต่ยังมีกิจการมอีกหลายอย่างจะต้องทำภายหลังจากนั้นอีกเยอะแยะจิงต้องทำดังนั้นอ่ะทั้งทั้งที่ใจจริงครูไม่อยา ก, ก, ยากจะยักกระจารับปัจจัยเดียวตนเองทุกครั้งกับทุกคนแต่ก็ทำไม่ได้โดยเหตุผลดังกล่าวแหละจ้าตัวลูกก็ต้องยอมไม่ท่านเหล่านั้นงุดหงิดไปก่อนเพราะท่านเหล่านั้นทุกคนก็มีดงปัญญามีความรักต่อครูไม่อาอยู่แล้ว ภายลังท่านก็นจะเข้าใจเองแล้วก็จะสนับไปให้สนุนให้ตัวลูกและทีมงานปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์เราทุกคนมุ่งมาสร้างบารมีมีเป้าหมายวิสุทธิ์ที่สุดแห่งทาแล้วจะไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวิเศษเพราะฉะนั้นลูกอย่าไปกังวลใจนะจ๊ะจะพาท่านกับใจท่านก็หมุดกิจพอเป็นพิธีพอเป็นไอเดียเท่านั้นแหละเนาะตอนนี้ท่านกับเบิกบานแล้วอีธานเอาปัจจัย กลับไปเพื่อไปจะไปใส่เพิ่ม <S <S <S ลูกต้องเข้าใจสิทําไมลูกทําไมไม่รู้ล่ะไอ้ที่เอากลับไปมีเจตนาอันเดียวไม่จะบั ง, งุดหงิดอะไรลูกหรอกจะไปใส่เพิ่มเพราะมันยังไม่เต็มเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละชานี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่นีนทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติดวิรุษบุรีวงมณวิเศษเขตบรมโอภิษัท จะได้พลาดกันเลยจ้าสที่จะเป็นเรื่องราวของเคสตัดดี้สั้นๆ ส, ส, สำหรับคืนนี้